เป็นตามมักรุกเนี่ยนะก็เป็นผลงานของท่านทำตั้งแต่สมัยที่ทํามไฟหวานก็ยังเป็นหมู่บ้านอยู่ยังไม่เป็นตำบลพวกเราถ้ามาคงจะสังเกตว่าบ้านทํามไฟหวานนี้เหมือนก็มีการวางผังเมืองมานานแล้วนะอันนี้ก็เป็นผลงานของท่านท่านก็เห็นการไกลก็อ่า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 ซือมายเยอะๆลดค่าขนส่งค่ามันจะถูกไปได้ท่านทุ่มเทเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาป่านะเพื่อประโยชน์ของญาติโยมด้วยนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์หรือชาววัดเท่า น, นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องทางโลกนะที่หลวงพ่อท่านไม่ได้ อ่านิ่งดูได้ท่านใส่ใจท่านถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านาประโยชน์ตนท่านก็ได้มุ่งฝึกฝนตนนะจนเรียกว่าไม่มีทุกข์อะไรที่จะมาบีบขันท่านได้หรว่าไกลจากความทุกข์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 เสร็จแล้วก็ท้อแท้หรือไม่ก็เลิกกลางคันเพราะว่าทนไม่ไหวท้อแท้ลุงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่างานของท่านเนี่ยล้มเหลวแต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวงานล้มเหลวก็หมายความว่าที่จะช่วยชาวบ้านให้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 การที่ผัวล้มเหลวนะแต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวตัวท่านไม่ล้มเหลวนี่หมายถึงว่าท่านไม่รู้สึกหวั่นไหวไปกับงานการที่ล้มเหลวไปด้วยเพราะว่าได้เข้าถึงประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ตนนี่จิตใจก็มั่นคงนะปล่อยวางหรือจะมาอาจจะหมายความอีกแกน่นก็ได้ว่านะไองานเพื่อคนอื่นเนี่ยถ้าล้มเหลวแต่งานเพื่อตนเอง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 คือแบกความทุกข์ไวนะ้เป็นวันเป็นคืนทอแท้ ก, กราดเกลียวนะหรือว่าหม่นหมองอันนี้เรียกว่าตัวเองล้มเหลวนะถึงแม้ว่างานจะไม่ล้มเหลวก็ตามแต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่สุดเนี่ยถ้าตัวเองล้มเหลวแล้วเนี่ยงานนก็ล้มเหลวตามไปด้วยแต่งานล้มเหลวแต่ตัวเองไม่ล้มเหลวนี้มันเป็นไปได้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 อย่างไรใช้อย่างไรนะการทําให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนทําอย่างไรหรนะือแม้กระทั่งการบริโภคเพื่อจะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าไม่อ้วนจนเป็นภาระอย่างพระเจ้าปเสนทิโกสนนี่ก็ได้อันนี้สอส่วนนี้จากคําสอนของพระพุทธเจ้ามากเพราะพระเจ้าปเสนทิโกสนนี้ร่างกายเรียกว่า คนทวนจนกระทั่งขยิบขยับก็ลำบากจะกราบจะไหวก็ไม่สะดวกพระเจ้าก็ให้คำแนะนำไปนะว่าให้มีสติยทุกเมื่อรู้จักประมาณในการบริโภคก็จะเป็นผู้มีเวทนาเบาบางแก่ช้าและอายุยืนอันนี้ก็เรียกเป็นประโยชน์ทั้งโลกล้วนๆ น, นะเวทนาเบาบางแก่ช้าอายุยืนเนี่ยซึ่งคนใคยๆก็อยากได้พระเจ้าประเสริฐกุศล ก็ให้มหาเล็กท่องคาถานี้ไว้แล้วก็สาธยายให้ฟังเวลาท่านาสวยอาหารก็ปรากฏว่าทำให้ลดการกินได้น้อยกินได้น้อยลงไม่เห็นแก่การกินสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็เลยไปสารเสริมพระเจ้าวันนี้ว่าเกื้อกูลทั้งประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์เบื้องหน้าคือทิฏฐธรรมิกถะและสัมปริกถะ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 ในเรื่องการสร้างกุฏินะของหมู่สงฆ์ที่เป็นลูกสิ์หลวงพเทียนหรือแม้กระทั่งการทำกรดนะอาตอมาก็ยังโชคดีที่ได้มาทันเห็นหลวงพ่อได้เห็นฝีมือการทำกรดของหลวงพ่อนะว่างๆท่านอ่ปลูกป่าลดตน้นลดน้ำต้นไม้ท่านก็มามาเหลาไม้นะมาทำซี่กรด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 เครื่องมือเรานั้นแหละในการทำกรดถ้าทำกรดได้สวยสมัยก่อนกรดมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆท่านทำกรดเล็กๆแล้วก็เบาเป็นกรดที่เหมาะกับการพบการสะพายเรียกว่าท่าน ร, รอบด้านมากทีเดียวครบเครื่องเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝีไม้ฝีมือ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 เรื่องบุญเรื่องกุศลพื้นๆท่านก็สอนสมัยที่อยู่กับชาวบ้านใหม่ๆที่นี่แล้วก็ที่ทําเอาไฟท่านก็ไม่ได้สอนอะไรที่มันอสูงเกินความเข้าใจขอชาวบ้านสอนเรื่องบุญเรื่องบาบนี่แหละสอนเรื่องพิธีกรรมที่ไม่งมงายสอนเรื่องพื้นฐานตอนนั้นก็คงให้ค่าคนจบปริญญาเอกนะมาสอ น, นอนุบาล เคยเห็นหลวงพ่อให้รูปหลวงพ่อสอนเด็กสองสาขวบมาสามสี่ขวบสอนกอไก่ขอไข่ไม่มีภาพอยู่นะในหนังสือรู้ซื่อๆจบปริญญาเอกน่มาสอนอนุบาล น, นะหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นสอนชาวบ้านก็เหมือนกับสอนอนุบาล น, นะเริ่มตั้งแต่เรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องบุญบาปคืออะไรไอจัดงานศพแล้วมากินเหล้าเล่นการพนันในวัดอนะันนั้นไม่ได้บุญ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 เพียงแต่ระยะหลังนั้นท่านก็ไม่ได้สอนชาวบ้านแบบนั้นเพราะว่าชาวบ้านก็เริ่มจะหูตาสว่างอย่างน้อยก็รู้ว่าทานศีลมันคืออะไรเห็นโทษอาบายมกอนนี้จึงเรียกว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่ว่าครบเครื่องมากนะีทั้งโลกและทำทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งงานภายนอกงานภายในทั้งสอนทั้งพูดทั้งทมแล้วก็เป็นให้ดูอยู่ให้เห็น สรรมมาก็สอนทุกระดับตั้งแต่ตั้งแต่นะหนึห่งไปจนถึงสิบนะหรือหนึ่งจนหรือหนึ่งไปจนถึงร้อยแล้วมหาได้ยากมากแล้วเพราะความคลดเครื่องแบบนี้เนี่ยก็มีน้อยคนที่จะมองเห็นได้ครบด้านครบทุกด้านของหลวงพ่อนะก็จะเห็นไปคนละด้านคนละแง่นะมันก็เห็นท่านเออท่านเป็นพระนักพัฒนานะพระนักอนุรักษ์ก็เห็นเท่านั้น ไม่เห็นอีกด้านนึงของหลวงพ่อท่านก็เป็นอาจารย์กรรมฐานอย่างอาตมานี่ตอนที่มารู้จกักหลวงพ่อครั้งแรกก็เห็นแต่ในแง่เดียวนะเห็นว่าท่านเป็นพระที่ส่งครห์พฒนาชุมชนก็ทางานช่วยเหลือท่านมาเป็นปีนะก็ยังไม่รู้นะว่าท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานเพราะว่าท่าน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 คุณนบมาพระนพตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยได้มาบวชได้มาปฏิบัติบุญหลวงพ่อแล้วก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากเพราะตอนนั้นก่อ น, า น, านนั้นนี่เรียกว่าฟุ้งมากเลยเกิดจะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนแต่ตอนหลังก็อ่กลับมารู้สึกตัวก็ เ, เลยรู้ว่ า, าหลวงพ่อท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานด้วยนะก็เลยตัดสินใจว่าจะทาบวชแล้วจะไปอยู่กับท่านส่วนคนที่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 ไม่ได้แยกขาดจากกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านเห็นว่า ง, งานกรรมฐานเป็นเรื่องสําคัญที่สุดท่านก็เคยพูดบ่อยๆว่าเนี่ยอาชีพของท่า น, นก็คืออาชีพกรรมฐานแต่ท่านไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์กรรมฐานนะท่านไม่ค่อยเรียกตัวเองอย่างนั้นเท่าไหร่แต่ท่านเพียงแต่ว่าอาชีพของ่านก็คืออาจารย์ก็คือการสอนกรรมฐานในอาชีพนี้เนี่ยเมื่อนึกถึงอาชีพนี้หรือเมื่อ มันคงในชีนี้เนี่ท่านก็จะนึกถึงหลวงพ่อเทียนอยู่เสมอเพราะว่าหลวงพ่อเทียนนีเน่เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำให้ท่านนี่ได้พบสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้หลวงพ่อท้อนเคยบอกว่าถ้าท่านได้มาไม่มาทางนี้หรือไม่รู้ธรรมเนี่ยก็ตายไปนานแล้ว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 นะแต่ว่าก็ทำให้เจ็บป่วยในการที่ได้มารู้ทมได้มาเส้นทางนี้ทำให้ท่านได้ไม่เพียงแต่มีอายุยืนมาถึงจนกจะทั่งเมื่อทีทีทแล้วเท่านั้นนะแต่ว่าก็ยังมีความสุขนะความทุกข์เบาบางแล้วก็ใช้ธรรมะที่ได้เรียนจากหลวงพ่อเทียนนี่แหละนะในการ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 ใช้อะไรไม่ได้กินพูดไม่ได้ก็คงเหลือแต่ธรรมะที่ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเทียนสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเทียนนี่ก็ช่วยตลอด49ปีมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วท่าน ก, ก็จะพูดอีกหลายอีกหลายครั้งฝากฝังให้พวกเราได้ศึกษานะ ได้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเทียนได้สอนชวงชราอการหนักๆนีน่ท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนนะมีทำนํานพาไม่มีวันตายที่ไม่มีวันตายเนี่ยก็เพราะไม่มีการเกิด้การเป็นอะไรกับอะไรก็คือการยังเกิดคือเกิดพบเกิดชาติ เกิดความสําคัญ ม, มากม้ว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่นี่ก็เรียกเกิดแล้วเลยมีความสึกว่ามีตัวฉันเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีตายไม่ช้า ก, ก็เร็วหรือว่าเมื่อมีพบชาวก็ต้องมีชารามรณะแต่ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีตายท่านท่านจะพูดถึงหลวงพ่อเทียนอยู่หลายครั้งหลายโอกาสมากในช่วงที่ท่านอ า, าพาธ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 แต่พวกเราก็โชคดีนะที่ได้มาได้มาเรียนได้มาศึกษาได้มาเห็นแบบอย่างแล้วก็ได้รับคำชี้นำชี้แนะจากหรือว่าคำเขียนถ้าว่าเราสำนึกในคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยก็ถือว่าเราเเป็นศิษย์มีครูคาว่าศิษย์มีครูนี่เป็นคาที่มีความหมายมากทีเดียวนะ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 ทำตามที่ท่านสอนนะเพราะว่าท่านได้ทุ่มเทให้กับเราแล้วเราจะปล่อยปละแล้วเลยนิ่งดูได้แล้วเฉยเหนยได้อย่างไรเพราะควา ม, มเป็นศิษย์มีคุลมกระตุ้นทําให้เราเนี่ยเกิดความเพียรจะไม่ให้อะจะไม่อะจะไม่เป็นการเสื่อมเกียรติของท่านนะหากว่าท่านนะ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 การแสดงออกอันนั้นไม่ใช่ตัวเรานะแม้เราจะเป็นศิษย์มีครูเราก็ต้องเป็นตัวเราเองนะมีวิจารณญาณของตัวเราเองแม้ว่าในส่วนที่เป็นธรรมะเราเดินตามท่านอาศัยคํำสอนท่านเป็นแนวแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งความเป็นตัวเราอันนี้ไม่ได้หมายถึงการเอาตัว เ, เป็นศูนย์กลางนะหลวงพ่อเทียนก็ไม่เคยสับสนนะที่จะให้หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยมาอยู่ที่นี่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 ปฏิบัติแบบหลวงพ่อในความหมายที่ว่ามาอยู่ป่าแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ตั้งสํานักอยู่ ใ, ใกล้ๆเมืองนะแต่หลวงพ่อท่านก็ตัดสินใจว่าเนี่ยนี่คือวิธีที่เหมาะกับท่านแล้วก็จะเป็นประโยชน์เพราะอยากสงเคราะห์ชาวบ้านอันนี้ก็เป็นวความตเป็นตัวของตัวเองของหลวงพ่ออมเขียนถึงแม้ว่าท่านท่านจะสํานึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์อาจจะเชื่อฟังหลวงม่อเทียนมากแต่เรื่องนี้ถ้าเป็นตัวของตัวเอง แล้วพวกเราทุกคนก็ได้รับอ น, นิสงค์จากการที่หลวงพว่อท่านเป็นตัวของตัวเองในแง่นี้นั่นทำให้เรามีสถานที่ปฏิบัติที่สงบวิเวทถึงแม้จะไม่สบายแต่ว่าทําให้เกิดความสงบใจได้และทําให้การปฏิบัติของเราจเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้นะได้สนักอยู่เสมอนะว่าเราโชคดีที่เป็นศิษย์มีครูแล้วก็พยายามทำให้ให้ครูของเราได้ภาคภูมิใจ เอาละชาอนี่กรเพื่อมทนี้กลับะ